ความที่พระราชามีพระหฤทัยดีในพระมหาสัตว์อันปริภาชิการู้แล้วด้วยประการชน้แต่คุณของมโหสถบัณฑิตได้ปรากฏด้วยกถามักเพียงนี้เท่านั้นก็หาไม่เพราะเหตุนั้นความปริวิตรได้มีแกนางเพรีว่าเราจะกล่าวคุณของเขานั้นๆใน่ามกลางมหาชนพระราชาจากแสดงโทษของเขาเหล่านั้น แล้วทรงสันเสริญคุณของมโหสถบัณฑิตคุณของมโหสถบัณฑิตก็จะปรากฏดุจ ด, ดวงจันทร์ในวันเพน็นลอยเด่นในท้องฟ้าฉะนั้นด้วยประการชนี้นางจึงยังมหาชนในเมืองทั้งหมดให้ประชุมกันแล้วทูลถามปัญหานั้นนั่นแหละกับพระราชาอีกจำเดิมแต่เบื้องต้นครั้นพระราชาทรงแสดงอย่างนั้นแล้วจึงทูลว่าข้าแต่มหาราช พระองค์รับสั่งว่าจะประทานพระชนนีก่อนก็ธรรมดาว่ามารดามีคุณูปการมากพระราชมารดาของพระองค์เช่นกับมารดาของชนเหล่าอื่นก็หาไม่พระราชมารดาของพระองค์มีพระอุปการะมากเมื่อจะแสดงพระคุณแห่งพระราชมารดาจึงได้กล่าวสองคาถาว่า พระราชชนนีของพระองค์เป็นผู้บำรุงเลี้ยงและให้ประสูตรเป็นผู้อนุเคราะห์ตลอดราตรีนานพรามชื่อฉับพิประทุสรายพระองค์พระราชมารดาเป็นผู้ฉลาดเห็นประโยชน์เป็นปกติทำรูปเปรียบอื่นปลดเปลื้องพระองค์จากการปลงพระชนพระองค์จะประทานพระชนนีผู้มีพระมนตสคงที่ประทานพระชมชีพ ผู้ให้ทรงเจริญระหว่างพระสวงทรงไว้ซึ่งพระคันนั้นแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้บารุงเลี้ยงโปเสตาความว่าทรงให้อาบให้ดื่มให้บริโภควันละสองสามครั้งเลี้ยงดูพระองค์ในเวลายังทรงพระเยาคํคำว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ตลอดราตรีนาน ทีรัตานุกัมปิกาความว่าทรงอนุเคราะห์ด้วยพระหฤทัยอ่อนตลอดกาลนานคําว่าพรามชื่อฉับ พ, พิปัทุสรายพระองค์ฉับ พ, พิตยิปทัทุถาสิความว่าพรามชื่อว่าฉับ พ, พิปัทุสรายในพระองค์ในการใดเมื่อพรามนั้นปัทุสรายในพระองค์พระราชมารดานั้นเป็นผู้ฉลาด เห็นประโยชน์เป็นปกติได้ทำรูปอื่นเปรียบรูปพระองค์ปลดเปลื้องพระองค์จากการปลงพระชนดังได้สดับมาว่าพระชนกของพระเจ้าจุลนีมีพระนามว่ามหาจุลนีพระนางสลากเทวีเป็นพระมเหสีได้ทำชู้กับพรามอันมีชื่อว่าฉับพินั้นได้ปลงพระชนพระเจ้ามหาจุลณีด้วยยาพิษยกราชสมบัติให้พราม เป็นมเหสีแห่งพร้อมนั้นในการเมื่อพระเจ้าจุลณียังทรงพระเยาววันหนึ่งจุลณีราชกุมารทูลว่าข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันหิวจึงให้ของควรเคี้ยวพร้อมกับน้ำอ้อยแก่พระโอรสแมลงวันทั้งหลายตอมล้อมพระกุมาร น, นั้นพระกุมาร น, นั้นทรงคิดว่าเราจะเคี้ยกินของควรเคี้ยวนี้ไม่ให้มีมแมลงวัน จึงเลี่ยงไปหน่อยหนึ่งแล้วยังหยาดแห่งน้ำอ้อยให้ตกลงยังพื้นแล้วไล่มแมลงวันที่ใกล้ตนให้หนีไปมแมลงวันเหล่านั้นก็พากันไปตอมน้ำอ้อยที่พื้นนั้นราชกุมารเสวยของควนเคี้ยวไม่ให้มีมแมลงวันแล้วล้างพระหัตถ์ทั้งสองบ้วนพระโอษฐ์แล้วหลีกไปพรามได้เห็นกิริยาแห่งราชกุมาร น, นั้นจึงคิดว่า กุมานนี้กินน้ำอ้อยไม่มีแมลงวันในบัดนี้เจริญไวแล้วจกไม่ให้ราชสมบัติแก่เราเราจะยังกุมานนั้นให้ตายเสียในเดี๋ยวนี้ทีเดียวพรามจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่พระนางสลากเทวีพระนางตรัสตอบว่าดีแล้วพระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพเจ้ายังพระพศดาของตนให้สิ้นพระชนด้วยความรักในพระองค์ ต้องการอะไรด้วยกุมานนี้แก่ข้าพเจ้าณบัดนี้ข้าพเจ้าจากักมิให้มหาชนรู้ยังกุมารให้ตายโดยความลับตรัดลวงพรามชนี้แล้วตรัสว่าอุบายนี้มีอยู่พระนางสลักเทวีเป็นผู้มีปรีชาฉลาดในอุบายจึงให้เรียกพ่อครัวมาตรัสว่า บุตรของข้าจุลนีกุมารกับบุตรของเจ้าชื่อธนุเสกุมารเกิดวันเดียวกันจเจริญด้วยกุมารแวดล้อมเป็นสหายที่รักแห่งกันเดี๋ยวนี้ฉับพิพรามใครจะยังบุตรของข้าให้ตายเจ้าจงให้ชีวิตแก่บุตรของข้าครั้นพ่อครัวทูลว่าดีแล้วพระเทวีแต่ข้าพระองค์จะทำอย่างไรจึงรับสั่งว่า บุตรของข้าจงอยู่ในเรือนของเจ้าทุกวันเจ้าและบุตรของข้าและบุตรของเจ้าจงนอนในห้องเครื่องเพื่อไม่ให้ใครสงสัยสิ้นวันเล็กน้อยแต่นั้นรู้ว่าไม่มีใครสงสัยแล้ววางกระดูกแพะไว้ในที่นอนของเจ้าทั้งสามแล้วจุดไฟที่ห้องเครื่องในเวลามหาชนหลับแล้วอย่าให้ใครรู้พาบุตรของข้าและบุตรของเจ้าออกทางประตูน้อยไปนอกแควน้น อย่าบอกความที่บุตรของข้าเป็นพระราชโอรสแล้วตามรักษาชีวิตบุตรของข้าไว้พ่อครัวรับพระเสวนีแล้วลำดับนั้นพระนางประธานธนศ า, ารแก่พ่อครัวนั้นพ่อครัวได้ทำอย่างนั้นพาบุตรของตนและพระราชกุมารไปสู่สากลนครในมัธรัฐแล้วบำรุงพระเจ้ามัตธราตพระเจ้ามัตธราตให้พ่อครัวคนเก่าออก ประธานตำแหน่งนั้นแก่พ่อครัวใหม่นั้นแม้กุมารทั้งสองนี้ก็ไปสู่พระราชนิเวศกับพ่อครัวนั้นพระราชาตรัสถามว่ากุมารทั้งสองนี้บุตรใครพ่อครัวทูลว่าบุตรของข้าพระองค์พระเจ้ากรุงสากล น, นครตรัสว่าหน้าตาไม่เหมือนกันไม่ใช่หรือพ่อครัวทูลว่าคนละแม่พระเจ้าค่า ครั้นเมื่อการล่วงไปล่วงไปจุลนีราชกุมารและธนุเสขกุมารบุตรพ่อครัวทั้งสองเป็นผู้คุ้นเคยเล่นด้วยกันกับพระธิดาของพระราชาในพระราชนิเวศนั่นเองลำดับนั้นจุลนีราชกุมารกับนันทาราชธิดาของพระเจ้ามัทราชได้เป็นผู้มีจิตปฏิพัตกันและกันเพราะเห็นกันทุกวัน จุลนีราชกุมารให้ราชธิดานำลูกข่างเชือกบ่วงมาในสถานที่เล่นราชกุมารตีเสียง ร, ราชธิดาผู้ไม่นำมาราชธิดาก็กันแสงลำดับนั้นพระราชาได้ทรงฟังเสียงพระธิดาจึงตรัสถามว่าใครตีธิดาของข้านางนมทั้งหลายมาถามว่าใครตีแม่เจ้านางกุมาริกาคิดว่า ถ้าเราจะบอกว่าราชกุมาร น, นี้ตีฉันพระบิดาของเราจะลงราชทานแก่เธอคิดชนี้จึงไม่ตรัสว่าราชกุมารตีเพราะความสเสน่หาในราชกุมาร น, นั้นจึงตรัสว่าใครไม่ได้ตีฉันดอกลำดับนั้นพระเจ้ามัทราชได้ทอดพระเนตรเห็นจุลณีราชกุมารตีก็เพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเอง ความปริวิตกได้มีแด่พระราชากุมารนี้ไม่เหมือนพ่อครัวเป็นผู้มีรูปงามหน้าเลื่อมใสเป็นผู้ไม่สะดุ้งกลัวเกินเปรียบกุมารนี้ไม่ใช่บุตรพ่อครัวจำเดิมแต่นั้นมาพระราชาก็ทรงสังเกตกุมารนั้นนางนมทั้งหลายนำของควรเคี้ยวมาในที่เล่นถวายราชธิดาราชธิดาก็ประทานแกเด็กอื่น เด็กเหล่านั้นคุกเข่าน้อมตัวลงรับปลายจุลนีราชกุมารยืนแย่งเอาจากพระหัตถ์แห่งราชกุมารีแม้พระราชาก็ได้ทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้นครั้งนั้นในวันหนึ่งลูกข่างของจุลนีราชกุมารเข้าไปภายใต้ที่บันทมน้อยของพระราชาจุลนีราชกุมารเมื่อจะหยิบลูกข่างนั้นเอาไม้เขีย่ยออกมาถือเอาด้วยคิดว่า เราจกไม่เข้าภายใต้ที่บรรทมแห่งพระราชาในปัจจันต์ัประเทศนี้ภายพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้นเข้าพระหฤทัยว่ากุมารนี้ไม่ใช่บุตรแห่งพ่อครัวแน่จึงให้เรียกพ่อครัวมาตรัสถามว่ากุมารทั้งสองนี้บุตรใครพ่อครัวทูลว่าบุตรของข้าพระองค์ทั้งสองคนพระเจ้าค่าพระราชาตรัสคุกคามว่า ข้ารู้ว่าบุตรของเจ้าหรือไม่ใช่บุตรของเจ้าเจ้าจงบอกแต่ความเป็นจริงถ้าเจ้าไม่บอกความจริงชีวิตของเจ้าจะไม่มีตรัสนั้นแล้วเงื้อพระแสงขันพ่อครัวกลัวแต่มรณะภัยจึงทูลว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ต้องการที่ลับครั้นพระราชาประทานโอกาสแล้วจึงขอพระราชทานอภัยแล้วทูลตามความเป็นจริง พระราชาทรงทราบตามจริงแล้วจึงให้แต่งพระธิดาของพระองค์ประทา น, นให้เป็นบาทบริจาริกาแก่จ <rence. S 1> ุลนีราชกุมารก็ในวันที่พ่อครัวจุลนีราชกุมารและบุตรพ่อครัวนี้กลาหนเป็นอันเดียวได้มีในพระนครอุตระประเทศทั้งสิ้นว่าพ่อครัวจุลนีราชกุมารและบุตรพ่อครัวเมื่อไฟไหม้ห้องเครื่อง ได้ไม่เสียแล้วในภายในด้วยกันพระนางสลากเทวีทรงทราบ ป, ประพฤติเหตุนั้นจึงแจ้งแก่พรามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพความปรารถนาของพระองค์ถึงที่สุดแล้วได้ยินว่าพ่อครัวจุลณีราชกุมารและบุตรพ่อครัวทั้งสามคนไปไหมแล้วในห้องเครื่องนั่นเองพรามยินดีร่าเริงปล่อยพระนางสลากเทวี ให้นํากระดูกแพะมาแสดงแก่พรามว่าอัฐิแห่งจุลนีกุมารแล้วให้ทิ้งเสียนางเพรีปริภาชิกาไม้เอาเนื้อความนี้กล่าวในคาถาว่าพระราชมารดาทรงทำรูปเปรียบอื่นปลดเปลื้องพระองค์จากการปลงพระชนก็พระราชมารดา น, นั้นทรงแสดงกระดูกแพะว่ากระดูกมนุษย์ปลดเปลื้องพระองค์จากการปลงพระชน คำว่าผู้ให้ทรงเจริญระหว่างพระสวงโอระสังความว่าผู้ทําพระองค์ไว้ที่พระสวงให้เจริญแล้วนั้นเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานคําว่าทรงไว้ซึ่งพระขันคัพทะทาริ n ิ n g ความว่าพระองค์จักประทานพระราชมารดาผู้ทรงพระองค์ไว้ด้วยพระขันเห็นปานนี้นั้นแก่ผีเสื้อน้ําด้วยโทษนั้น พระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้ทรงสดับคำนางเพรีปริภาชิกาดังนั้นแล้วตรัสว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าคุณของพระชนนีของข้าพระเจ้ามีมากและข้าพระเจ้าก็รู้ความที่พระชนนีมีอุปการะแก่ข้าพระเจ้าแต่คุณของข้าพระเจ้านี่แหละมีมากกว่านั้นเมื่อจะทรงพรนานาโทษของพระมารดาจึงตรัสคาถาสองคาถาว่า พระมารดาทรงชราแล้วก็ทำเป็นสาวทรงเครื่องประดับซึ่งไม่ควรประดับตรัสซิกซีสวนเสเฮฮากับพวกรักษาประตูและพวกฝึกหัดม้าจนเกินเวลายิ่งกว่านั้นพระมารดายังสั่งทูดถึงพวกเจ้าผู้ครองนครเสียเองข้าพเจ้าจึงให้พระชนนีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าทาเป็นสาว ทหราวิยะความว่าแม้ทรงชราแล้วก็ยังทรงเครื่องประดับคือแต่งพระองค์เหมือนคนสาวคำว่าซึ่งไม่ควรประดับอปิลันทะนังได้แก่ทรงเครื่องประดับอันไม่ควรได้ยินว่าพระนางสลากเทวีนั้นทรงประดับสายรัดเอวทองเต็มไปด้วยเพชรทรงดำเนินไปไปม า, มาในเวลาที่พระราชาประทับ ณมหาปราศาสตรกับเหล่าอมาร์ททั่วพระราชนิเวศได้ดังกล้องเป็นอันเดียวกันด้วยเสียงของสายรัดเอวคำว่าชิกซีประชักคติความว่าทรงเรียกพวกคนเฝ้าประตูและพวกฝึกชา้างฝึกม้าเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ไม่สมควรจะบริโภคแม้อาหารอันเป็นเดนของพระนางมาสวนเสเหหากับพวกเหล่านั้นจนเกินเวลา คำว่าพวกเจ้าผู้ครองนครปฏิราชาหนังได้แก่พวกเจ้าครองนครข้อว่าสั่งทูตเสียเองสยังทูตานิจาสติความว่าทรงพระอักษรเองว่าเป็นคําของข้าพเจ้าแล้วส่งทูตไปว่าพระชนนีของเราตั้งอยู่ในวัยที่บุคคลควรใคร่ เจ้านั้นนั้นจงมานาพระชนนีไปพวกเจ้าครองนครเหล่านั้นส่งราชสารตอบมาว่าพวกข้าพระองค์เป็นอุปถากของพระองค์เหตุไรพระองค์จึงตรัสแก่พวกข้าพระองค์อย่างนี้เมื่อเขาอ่านราชสารนั้นนั้นในถาำกลางที่ประชุมได้เป็นเหมือนเวลาที่ตัดเสียงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักให้พระชนานีนั้นแก่ผีเสื้อน้านด้วยโทษนั้น